ก็อย่างที่ได้ตอกย้ำไปเมื่อวานว่า <c oughs> การปฏิบัติในวิธีการหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่ได้ถือว่าทำมากจะได้ดีหรือทำน้อยจะไม่ดีไม่ใช่แต่ทำอย่งไรทำด้วยความเข้าใจเป็นเรื่องสาคัญเพราะทุกวันที่ที่มันช้าเพราะความเข้าใจไม่พอเรืะอความเข้าใจไม่พอ ทำมากก็สงสัยว่าใช่หรือไม่ใช่ทำน้อยก็ยังสงสัยอยู่ว่าถูกหรือไม่ถูกทังนะนั้นเองเมื่อวานนี่ได้ลำดับอารลณ์เบื้องต้นว่าในส่วนที่มันน่าจะเป็นเป็นอย่างไรซึ่งจะต้องผ่านจากประสบการณ์หรือการกระทำนะจากการกระทำมากกว่านะว่าเราจะมาตัดสิน อันไหนใช่อันนั้นไม่ใช่อันไหนถูกหรือไม่ถูกเพราะว่าแต่ละคนมีความสามารถในการรู้ด้วยตนเองอยู่แล้วว่าอันไหนใช่หรือไม่ใช่อันไหนถูกไม่ถูกโดยไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์มาตัดสินว่าเป็นอย่างไรนะเพราะแต่ละคนมีเขาเรียกว่ามโนธรรมสํานึกมีความรู้สึกที่เป็นของตัวเอง แต่เพราะอะไรเรายังทำถูกทำผิดอยู่หรือทำดีทำชั่วทำใสสิ่งที่ควรแล้วไม่ควรอยู่ก็เพราะว่าความเห็นเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องที่พรุทธเจ้าใช้คาว่าสัมมาทิฏฐิอ่านั้นท่านตรัสประกันไว้ว่าสัมมาทิฏฐิส ม, มาธานาสัพพะทุขาอุปจิจุงว่าถ้าเรามีความเห็นถูกต้องแล้วเนี่ยมันสามารถพ้นจาก ปัญหาและความทุกข์ทั้งปวงได้ทั้งหมดเลยนะ <c oughs> นั้นเองมรรคทั้งแปดเนี่ยถ้าเริ่มต้นที่สมาธิิโดยประการเดียวถ้าทำสมาธิคือความเห็นถูกต้องประการเดียวเนี่ยความคิดการพูดการกระทำการใช้ชีวิตความเพียรพยายามความตั้งจิตตั้งใจเนี่ยมันถูกหมดแต่พอเห็นผิดอย่างเดียวเนี่ยความคิดการกระทาคาพูด การใช้ชีวิตความเพียรพยายามตั้งจิตตั้งใจก็ผิดหมดเหมือนกันดังนั้นเมื่อวานนี้ก็จึงได้พูดถึงว่าองค์ประกอบของเขาว่าเห็นถูกคือเห็นอย่างไรก็เริ่มต้นด้วยองค์ความรู้ที่หลวงพ่อเทียนได้ให้ไว้ว่าจะต้องมารู้จักตัวเองก่อนทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเองหรือภาษากรรมฐานเรียกว่ารูปนามนะ <c oughs> เมื่อรูปนามทำได้เข้าใจได้ถูกต้องแล้วนี่เข้าใจอย่างไรรูปนามในส่วนที่เป็นท่าสี่ขันห้าเนี่ยเข้าใจอย่างไรถึงจะเป็นรูปนามแบบหลวงพ่อเทียนนะรูปนามในระดับรู้จํารู้จักเป็นอย่างไรรูปนามในระดับรู้แจง้งรู้จริงเป็นอย่างไรซึ่งเมื่อวานได้ดำดับถึงตรงนั้นหลวงพ่อเทียนท่านได้เน้นถึงว่าความ รู้สึกตัวในกายในใจเขาเนี่ยเป็นความรู้สึกตัวที่กลับเข้ามาดูความรู้สึกจริงๆไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่เรานึกเราคิดเอาว่าอย่างนี้เป็นความรู้สึกนะความรู้สึกแล้วก็ในนิยามความหมายที่เขาให้ความรู้สึกตัวโดยหลักปริยัติท่านบอกว่าสามารถ ระลึกได้ในกิจที่ทำคำที่พูดได้แม้จะผ่านไปนานแล้วเรียกว่ารู้สึกเนี่ยอันนี้หลักปริยัติว่าสามารถจำกิจที่ทำคำที่พูดที่ผ่านมาแล้วได้ดีแต่พอมาในหลักวิธีการของพระพุทธเนมันไม่ใช่เพียงพอแค่นั้นสามารถระลึกได้ในกิจที่ทำคำที่พูด แม้ขณะปัจจุบันนี่คือที่ต่างกิจที่ทำคำที่พูดขณะปัจจุบันเนี่ยรู้ไ้ยว่ากำลังทำอะไรถูกหรือผิดใช่หรือไม่ใช่ควรหรือไม่ควรเนี่ตรงนี้คือหลักหลวงพว่อเทียนที่ต่างจากปริยัตปริยัตบอกว่าสามารถรู้กิจที่ทำและลึกได้ถกิจที่ทำคำที่พูดได้แม้ผ่านมายาวนานนะหลวงพว่อเทียนบอกว่า สามารถรู้จักกิจที่ทำคำที่พูดแมขณะที่เป็นปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรานั่งสร้างจังหวะอยู่เรารงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราใจลอยหรือตื่นรู้เราง่วงเหงาเผลอนอนหรือว่าอ่ากระเป๋กปรกะเป๋านี่อันนี้เรียกว่าความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันเรียกว่ารูปนามนะ คืหมายถึงว่ากายกับใจมันมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละพอกายกับใจอยู่ด้วยกันปับ๊บมันก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ที่รู้ลึกไปกว่านั้นก็คือรู้รูปนามที่มันกำลังทํางานด้วยอำนาจของไตรลักษณ์ว่าขณะนี้เรานั่งมาประมาณหนึ่งชั่วโมงเนะี่ยไตรลักษณ์มันทำงานไปถึงไหนแล้วมันพลิกซ้ายพลิกขวากี่ครั้งแล้ว มันง่วงไปกี่หนแล้วมันเบื่อไปกี่ครั้งแล้วมันสลืมสลือไปกี่หนแล้วเนี่ยเราสามารถทวนกลับไปกลับมาได้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงถึงปลายชั่วโมงเนี่ยนี้เรียกว่าเป็นการรู้รูปนามณนะ์ปัจจุบันถ้าลำลำดับได้แค่นี้แล้วสามารถแก้กฎอันที่สองเนี่ยสามารถแก้กฎของไตรลักษณ์ได้ด้วย พราขณะนี้เรานั่งแล้วมันง่วงมันซึมมันเบื่อมันเซ็งปวดมันเมื่อตรงไหนแล้วคอยปรับแก้ให้ร่างกายเนี่ยได้รู้สึกเบาสบายอยู่เสมอจิตใจก็ตื่นรู้และปลอดโปร่งเบิกบานนี่เรียกว่าอารมณ์รูปนามที่มีผลต่อการรู้ธรรมเห็นธรรมต้องรู้อย่างนี้รูปนามผ่านเข้ามาสู่ตัวตรัตยรักแล้วสามารถแก้กุฎตรัยรักได้ ผ่านเข้ามาสู่กฎของไตรสิขาคือเกิดสีนิสัยปัญญาในขณะนับปัจจุบันอันนี้กฎของรูปนมามเมื่อวานเรามาถึงตรงนี้นะที น, นี้วันนี้จะต่อไปว่าในส่วนที่รูปนามเนี่ยจะทำให้มันมั่นคงได้อย่างไรคือสามารถรู้เนื้อรู้ตัวแล้วแก้ไข ปัญหาที่เกิดขณะปัจจุบันเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาที่เกิดเนี่ยมันไม่ได้ปัญหาทางกายอย่างเดียวหรือทางจิตอย่างเดียวบางคนพยายามแก้แล้วแก้อีกก็ไม่ตกอันนี้คือความสงสัยเอยฉันก็รู้ว่าง่ว ง, วงทำไมแก้ไม่ตกฉันก็รู้ว่าเมื่อยทำไมแก้ไม่ตกฉันก็รู้ว่าเบื่อทำไมแก้ไม่ตกตรงนี้มันเกิดความสงสัยขึ้นมา กพราะองของความรู้คือความประสบการณ์ความชำนิชำนาญยังไม่พอรู้มุมใดมุมดึงเท่านั้นแต่ปัญหาที่จะแก้เนี่ยมันมีตั้งหลายมุมนะมุมที่เป็นทุกขลักษณะที่เกิดขึ้นแตรลักณแก้ไขได้มุมที่เกิดขึ้นโดยวิบากกรรมบางคนทำวิบา ก, กรรมเมื่อคือนนอนไม่หลับ พอนั่งมาตอนเช้าพยายามจะทําให้ตื่นตัวก็พี่ก็บอกก็ไม่ค่อยตื่นตัวมันยังสลืมสลืออยู่เพราะเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับจะด้วยเหตุใดก็ตามนะจะกินยาจะติดยาหรือโรคอะไรบางอย่างหรือนั่งนอนแล้วไม่สะดวกหรือต่างพื้นที่นอนไม่หลับอย่างนี้เขาเรียกเป็นวิบากเมื่อคืนนี้ตอนเช้าเรามีผลพยายามลืมตาเท่าไหร่มันลืมไม่ขึ้นนะเชื่อมอยู่หน่อยเนะนั้นเอง เราจะเห็นว่าอันนี้มันมีผลดังนั้นมันมีเหตุมีผลชะท้อนถึงปัจจุบันก็มาแก้ อ, อกปลายเหตุมันก็แก้ยากหน่อยทีนี้เมื่อเริ่มในอารมณ์ที่สองเรียกว่าอารมณ์นามรูปอ่าเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องรูปนามแล้วก็สรุปให้ฟังจบไปเมื่อกี้นะว่าแม้ว่ารู้จักอารมณ์รูปนามดีแล้วเราก็ยังแก้อารมณ์รูปนามไม่ค่อยถูกเพราะมี กฎใตรักและมีวิบากกรรมเป็นตัวกากับวิบากก็เนื่องจากว่าเราไม่แก้กฎของอันิจังทุกขังด้วความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงเราไม่แก้ให้ทันมันก็เป็นเศษเหลือเป็นวิบาามันแก้ไม่ทันมันก็ตกไปเป็นวิบากเราจะต้องรับมันทีนี้ถ้าหากว่าเราทำสติในลักษณะที่ว่าเป็นปัจจุบันที่ใช้คาว่าถิละสัญญา คือการจําได้หมายรู้สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยว่าสิ่งที่ปรากฏปัจจุบันเนี่ยเราจําได้ชัดเจนว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขณะเนี้แล้วก็พยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่องจริงจังแล้วปรับแก้เรื่อยๆตรงนี้ท่านใช้เพราะว่าจากสัญญาธรรมดาเป็นถิละสัญญาคือความจําว่าอะไรกำลังขึ้นตั้งอยู่ในปัจจุบันอย่างชัดเจนแล้วกแก้ไขเรื่อยๆมันกลายไปสติสัมปชัญญะ ในตัวทีละสัญญาตัวนี้นะเพราะนั้นสติสัญญาเกิดจากการความจําได้หมายรู้ที่ทําได้เรื่อยๆตอกย้ําซ้ําที่เดิมเรื่อยๆยกมือเรื่อยๆสร้างจังหวะเรื่อยๆเดินจุง ก, กมเรื่อยๆมันไปไปการตอกย้ําความรู้สึกตัวตรงนั้นบ่อยๆท่านเรียกว่าทีละสัญญาตามภาษาของปริยัติเพราะฉะนั้นการนําเสนอของอาจารย์มาลุงพ่อจะพยายามตีคู่กันไประหว่างทฤษฎีของหลวงพ่อเทียนกับทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าวางไว้ว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไร เพื่อป้องกันมั่วนะมั่วนิ่มเนพะาะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะไปดูตัวนามรูปมันเกี่ยวข้องกับรูปนามอย่างไรรูปนามเกี่ยวข้องว่าแก้ไขออและลึกรู้ความรู้สึกเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยว่าเป็นอะไรบ้างส่วนใหญ่มันเป็นทุกข์เท่านั้นนะ่ะทุกข์ต้องกําหนดรู้ใช่ไหม ทีนี้พอแก้ไขปรับปัจจุบันไม่ทันรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันมันก็เสดเลยไปสู่นามารูปเกิดนามารูปคือเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดขุนมัวเกิดความเศร้าหมองอชอบหรือดีใจอะไรพวกนี้เรียกว่าเป็นนามารูปคือเป็นความรู้สึกทางจิตทีนี้ตัวนี้แหละ ถ้าหากว่าเราไม่สามารถติดตามแก้ไขกฎของใจรักที่เกิดกับรูปนามได้เราก็าต้องไปตามแก้ไขกฎของใจรักที่มันไหลเข้าสู่จิตเรียกว่านามรูปจะยากขึ้นแล้วขั้นที่สองเนี่ยแล้วการไปดูจิตเนี่ยมันจะยากกว่าดูกายเพราะดูกายเนี่ยมันง่ายเพราะว่ามันสัมผัสได้ตลอดโดยอาศัยผ่านเวทนาทางกายเย็นร้อนอน่อนแข็งเค้งตึงเจ็บปวดเนี่ยมันรู้ได้ง่ายแก้ไขได้ง่าย แค่พลิกแค่ขยับนิดๆหน่อยมันก็แก้ไขได้แล้วแต่พอตกไปสู่นา ม, มารูปคือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบพอใจไม่พอใจเนี่ยไม่ใช่จะพลิกเปลี่ยนแล้วมันจะแก้ไขได้ถ้ารู้สึกไม่ชอบใจมันก็จะรู้สึกไม่ชอบอย่างนั้นแหละพระองค์นี้พูดไม่เข้าเรื่องเลยอะไรไม่รู้นะเออพระองค์นี้พูดดีจังมันก็เกิดชอบแล้วไม่ชอบขึ้นมาลักษณะอย่างเนี้ยมันเป็นนา ม, มารูปแล้ว แต่ถ้าหากว่าคนที่ตระหนักรู้มีความเชื่นที่ชำนาญก็ฟังฟังคําว่าฟังสักด์แต่ว่าฟังนี่ไม่ใช่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะฟังแล้วเข้าใจเป็นอย่างดีแต่ว่าไม่ได้ไปนึกคิดจดจำแต่เข้าไปในใจเหมือนดืมนมนด่มน้าอ่ะมันดื่มน้าเข้าไปในคอแล้วเนี่ยไม่ต้องไปจำไว้ว่าน้านี่จะไม่ต้องไปคิดต่อหรอกน้าจะไปทำหน้าที่อะไรอีก น้ำจะไปถึงไหนเป็นเลือดอย่างไรเป็นดินอย่างไรเป็นลมอย่างไรเป็นไฟอย่างไรไม่ต้องไปคิดต่อแล้วน้ำมันจะไปทำหน้าที่ของมันเห <c oughs> มือนกันถ้าเราฟังด้วยความเข้าใจแล้วเนี่ยความคิดและสติปัญญาก็ทำหน้าที่ของมันโดยที่ไม่ต้องไปจำอะไรไว้อีกถ้าคือเราไปพยายามนึกคิดตรีตรองติดตามไปเป็นเรื่องเป็นราวก็กลายเป็นปุงแต่งเป็นสังขาร มันไม่เป็นเพียงทีละสัญญาละดังนั้นอารมณ์นามรูปทั้งเมื่อวานกล่าวไปคร้าวๆว่ามันได้แก่ความคิดและความรู้สึกและความคิดและความรู้สึกต่อเนื่องกันอย่างไรนี่ที่เราพระท่านได้สวดไปเมื่อกี้สุขังเวทนังเวทิยะมโนสุขังเวทนังเวทยิยามีติประชานาตินะว่าเมื่อรู้สึกสบายก็ให้รู้ชัดๆว่ารู้สึกสบา ย, บายนะ ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าความรู้สึกสบายนี่ไม่ดีแต่ให้รู้ชัดๆเกี่ยับความรู้สึกสบายนี่สัตว์ว่ารู้รู้ชัดๆเก่ยความรู้สึกสบายความรู้สึกสบายเป็นยังไงดูต่อความรู้สึกสบายเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ามันเป็นอย่างนี้ตลอดไหมจะให้รู้สึกสบายอย่างนี้ตลอดชั่วโมงได้ไหมก็ดูมันไปเรื่อยๆดูความรู้สึกสบายเนี่ยมันยังสบายอยู่เหมือนเดิมไหมนี่เรียกว่ารู้สึกนะรู้สัตว์วะรู้ ถ้าหากว่ารู้สึกไม่สบายสักพักมันเปลี่ยนมาจากวิเครารู้สึกสบายพอเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกไม่สบายก็รู้อีกว่าอ๋อนี่เป็นความรู้สึกไม่สบายเขารู้สึกสบายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงอ่าเมื่อไม่เที่ยงแล้วทําไงมันทนไม่ได้ความรู้สึกไม่สบายไว้ทนไม่ได้พอทนไม่ได้ปั๊บเราก็เปลี่ยนที่ลักษณะการเปลี่ยนและความรู้สึกไม่สบายออกจะมีสองลักษณะหนึ่งลักษณะด้วยความเปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัว สองตั้งใจเปลี่ยนอย่างรู้สึกตัวอะตรงนี้แหละมันจะเป็นองค์ของว่ารู้สักแต่ว่ารู้ไม่ใช่รู้เฉยๆแล้วรู้แล้วเข้าไปจัดการให้มันกลับมาเป็นปกติได้ให้มันเป็นปกติดังเดิมถ้ารู้แล้วมันผิดปกติปวดเกินไปหนักเกินไปไม่สบายเกินไปเกิดความหงุดหงิดุ่นวายนี่เขาเรียกว่าไม่สักแต่ว่ารู้แล้ว มันไปเป็นตัวรู้มันรู้ไม่เป็นนะเมื่อเราเข้าไปเป็นตัวรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเราเข้าไปเป็นกับมันหมายความว่าใจของเราเนี่ยเข้าไปเป็นกับมันด้วยใจรู้สึกพอใจไม่พอใจกับความรู้สึกนั่นด้วยเรียกว่ารู้ไม่เป็นนะรู้ไม่เป็นไม่เป็นสัตวตว่ารู้แต่รู้เป็นหมายความว่าเราเข้าไปจัดการมันเข้าไปจัดการมันได้ ถ้ามันหนักก็จัดการให้มันเบาได้ถ้าเบาเกินไปมันจะง่วงจะเหงาใจซึมจะสงบกเกินไปก็จัดการให้มันหนักขึ้นได้รู้แล้วมันจําท่าจะทําให้เกิดความคิดปรุงแต่งก็จัดการให้มันหยุดการปรุงแต่งได้นี้เรียกว่าสัตว์วรู้คือจัดการได้แต่คนทั่วไปเข้าใจผิดอ ร, รู้สัตววรู้เห็นสัตว์ว่เห็นได้ยินสัตว์ว่ได้ยิ น, ยนคือไม่รับรู้อะไรสัตว์ว่าเฉย เขาเรียกว่าเฉยแบบเฉยเมยแต่ในแง่ของการเข้าไปรู้แล้วจัดการอะไรกับมันได้แบบว่าเฝ้ามองดูเฝ้ารู้อยู่นะว่ากําลังจะเป็นอะไรถ้าเป็นไปในทางที่ไม่เข้าท่าเข้าทางฉันก็จัดการได้นี่เขาเรียกว่าเฉยมองหลวงพ่อเจ้าคุณปุยุทธ์ท่านให้คํำจากัดความไว้ดีมากถ้าเป็นเฉยเมยหมายความว่าอะไรเกิดขึ้นก็เฉยไม่เดาไปรู้เรื่องอะไรเขาเรู้แบบซื่อบือ้อ เรีย ว, ว่าเฉยเฉยเมยนี่เขาเรียกว่าอุเปเฆาวเวทนาแต่เข้าไปรู้เรามองดูอยู่นะแก่จะเป็นอย่างไรถ้าถ้าเป็นไปตามผิดไปจากนี้แล้วฉันจัดการทันทีนะคือหมายความมันไม่ไ ม, ม, ม่มันอยู่ในควบคุมของเราอยู่ควบคุมรู้จัดการได้อยู่สมมติว่าเรานั่งเนี่ยมันทําท่าจะง่วงเรารู้อยู่นะเห็นอยู่นะมันทําท่าจะง่วง ถ้ามันมากไปคนนี้ไม่ได้จัดการเนี่ยเอาออกเอาความง่วงออกได้นี่เขาเรียกว่า เ, าเฉยแล้วก็มองดูอยู่ว่าอย่าจัดการได้ไหมหรือนั่งกําลังจะปวดขาก็พอทนได้ก็ดูอยู่นะถ้าปวดมากคนนี้ฉันจัดการได้นะก็คือพลิกไปหรือนั่งแล้วมันเกิดหลับตาอยากจะสงบก็ดูอยู่นะมันจะสงบถ้าสงบไปมากคนนี้ฉันจัดการเอาออกนะอ้เนี่ยทำนองนี้คือหมายของว่าการเฝ้าดูเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถจัดการเอาออกไปได้นี่เขาเรียกว่าเฉยมอง คือตรงกัว่าอุเปขาสัมโพชฌงอ้าอุเปขาเวทนามันเฉยเมยเฉ ย, ยแบบไม่รู้แต่อุปขาสัมโพชฌงเฉ ย, ยแบบรู้ว่าอะไรกำลังเกิดว่ามันผิดหรือมันถูกและจัดการเข้าสู่ภาวะที่ต้องการได้เรียกว่าเป็นเฉยมองมองดูอยู่นะนะดังนั้นอันนี้เรียกว่าการเข้าไปจัดการตัวนามรู คือมีสติสัมปัญญาเข้าไปนะเมื่อเป็นอย่างนั้นสติสัมปัญญาคือความรู้สึกตัวที่การจะมาสํารวจ <c oughs> ความเป็นไปของกายของใจเนี่ยจะต้องมีความต่อเนื่องและมีความาเข้มแข็งพอสมควรไม่ใช่ติดติดแบบดั บ, ดบพอรู้ตัวสักพักเอาก็ลืมรู้ตัวไปสักพักก็เพลินอย่างนี้เรียกว่าไม่ถูกละ ถ้าหากว่าตั้งใจที่จะรู้ตัวก็ต้องปรับเรื่อยๆปรับให้เหมือนตื่นเหมือนเกัโยมติดไฟหุงข้าวอะ่ะสมัยก่อนเราใช้ฟืนใช่ไหมใช้ฟืนต้องคอยอะไรคอยดูว่ามันจะมอดหรือยังไฟมันฝ่ อ, อไปหรือเปล่าหรือไฟมันแรงเกินไปคอยปรับถ้ามันจะฝ่อมันจะลามันจะหมดฟืนแล้วก็เขีย่ยเอาขี้เท่าเขีย่ยเอาฐานออก เ, อเติมฟืนเข้าไป เดิม ท, ท่าจะฟูน ล, ลึกลุกมากเกินไปหม้อมันจะเดือด น, น้ำมันจะเดือดจะท่วมไฟลาไฟออกลักษณะนี้เรียกการเฝ้าดูนะการเฝ้าดูมันขาดหรือมันเกินถ้ามันขาดก็เติมเข้าไปถ้ามันเกินก็เอาออกลักษณะนี้เนี่ยให้ปรับแต่พอดีนะตรงนี้เรียกว่าการเฝ้าดูในตัวนำมาูปแล้วเอาตัวกดของไตรสิขา คือสติสมาธิปัญญาเข้าไปจัดการไปปรับตลอดเวลาทําอยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่เรามาทําที่จะมานั่งอย่างนี้เท่านั้นนะตอนที่จะลุกไปทํากิจภารอะไรต่างๆเข้าห้องน้ําห้องส้วมอาบน้ําแต่งตัวแล้วคอยเฝ้าดูไปเรื่อยๆการเฝ้าดูความเป็นปกติของตัวเองอย่างนี้แหละเรียกว่าเราเปลี่ยนใจรักให้เป็นใจสีขาทําอย่างเนี้ย คือเปลี่ยนตัวไม่รู้ให้เป็นตัวรู้เปลี่ยนตัวไม่เห็นให้เป็นตัวเห็นเปลี่ยนตัวห ล, วลงให้เป็นตัวรู้ตลอดเวลาแต่ น, นั้นเราจึงสั่งสมตัวรู้นี้ไว้เยอะๆไงเพื่ออะไรเพื่อให้รู้เท่าทันว่าอะไระกําลังเกิดกันหรือกันดับเพราะใตรักมันทํางานของมันตลอดเวลาอันนี้จ้งทุกขังนาตาอทํางานของมันตลอดเวลาเราก็ต้องเจริญสติเจริญสมาธิปัญญาเข้าไปสู้เข้าไปเปลี่ยนตลอดเวลานะ ถ้าหากว่าเราขาดการเจริญสติสมาธิปัญญากฎไปรักมันทําหน้าที่ของมันไปเรื่อยๆแล้วก็ยอมรับผลของมันละผลของมันอยู่ที่กายแก้ไม่ทันไปตกใส่ใจก็ไปแก้ที่ใจแก้ที่ใจไม่ทันก็กลายเป็นวิบากกลายเป็นวากกลายเป็นความคิดความปรุงแต่งเป็นความอ ะ, อะไรละ่ะเป็นกิเลสเป็นอคูศสไปเรื่อยๆหละที่เนี่ยพอไปตกไปสู่จิตแล้วอะ พราะตกไปสู่จิตเอามาดูเปลี่ยนเสมือนว่าสเก็ดไฟถ้าสะเกตไฟมันมาตกใส่ที่ชุ่มที่เย็นไฟมันก็ดับตกใส่น้ําก็ดับถ้าสเก็ดไฟไปตกใส่ที่กองขยะใบไม้แห้งมันก็ลุกต่อถ้าเราไม่ทันน่ะไม่ทันเห็นน่ะไฟก็ไหม้ไปเรื่อยๆทีนี้จากจุดเล็กๆขยายวงกว้างไปสู่ใหญ่ๆขึ้นไป เวทนาก็เหมือนอย่างนั้นเวทนาที่ตกมาสู่กายของเราเนี่ยมันเหมือนสะเก็ดไฟะเวทนาทุกเนี่ยทุกเวทนามันเหมือนสะเก็ดไฟตกใส่ก้นเราทําให้ก้นเราหนักตกใส่หัวเราทําให้ปวดหัวทําให้คิดตกใส่ตรงไหนมันมันเจ็บมันปวดตรงนั้นมันไม่สบายตรงนั้นให้มองเห็นอย่างนั้นเลยนะมองเห็นทุกเวทนาเพราะอะไรพุะทีเจ้าว่าทุกต้องกําหนดรู้อะ่ะไฟที่ตกไปในทุกเวทนาที่ตกไปสู่กายของเราต้องตามรู้ให้ทันเพื่ออะไร เพื่อที่จะไปปรับเปลี่ยนเวทนาให้เป็นปัญญาถ้าเราไปรู้ทันแก้มันนั้นปั๊บเวทนาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาทันทีแต่ถ้าหากว่าเรารู้ไม่ทันเวทนาก็เปลี่ยนเป็นสัญญาสัญญาที่เรารู้ไม่ทันสัญญาก็เป็นตัวสังขารสังขารู้ไม่ทันก็เปลี่ยนเป็นวิญญาณวิญญาณรู้ไม่ทันก็เปลี่ยนเป็นการปรุงแต่งคิด เรื่องน้นเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนี่มันขยายวงไปเรื่อยๆแต่นั้นเองให้ทันที่เวทนาถ้าเวียนไม่ทันที่เวทนาก็เปลี่ยนเป็นความคิดเน่ยเอาอยากแล้วสัญญาสังขารวิญญาณรวมทั้งสาอย่างเป็นความคิดถ้าเราไปรู้ทันปับเปลี่ยนเวทนาให้เป็นสติสัมปชัญญะเสียก็โดยการมาปรับมารู้ความรู้สึกตัวเรื่อยๆขยับหน้าขยับหลังโยกซ้ายโยกขวาอย่างรู้เนื้อรู้ตัว นะบางทีเรานั่งปฏิบัติไปถ้านั่งทื่อๆซึมๆเนี่ยมันไม่เที่ยงละสักพักเนี่ยมันซึมลึกเข้าไปง่วงฉังนั้นวิธีการหลวงพ่อเทียนจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดทําให้เราตื่นตัวรู้ตัวได้ง่ายนะเพราะเราต้องการให้เกิดตัวรู้ตื่นเบิกบานนะเราไม่ต้องการตัวสงบหลับดับดิ่งเข้าไปสู่ฌานต่างๆเราไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่เกิดสัมมาสติความรู้ซื่อรู้ตัวเกิดสัมมาสติเนี่ยทำให้เราแก้ไข ความทุกข์ทางกายเป็นแก้ไขความทุกข์ทางจิตเป็นนะแล้วก็ต้องการที่จะสงบก็ทาได้ต้องการไม่สงบก็ทำได้ถ้าเกิดได้สมาสติสมาสมาธิแล้วเนี่ยมันก็เข้าไปจัดการในตัวที่เราไม่ปรารถนานะตัวที่เราปรารถนาในที่คือภาวะตื่นรู้และเบิกบานนะเมื่อไปอย่างนี้เราก็พยายามทบทวน ตั้งต้นที่รูปนามเสมอเพราะว่าความคิดมไม่ได้มีตลอดเวลาความคิดมีตอนที่เรารู้ไม่ทันอาการของรูปนามอาการของกายเท่านั้นพอรู้ไม่เท่าทันอาการของกายปับ๊บมันก็เปลี่ยนไปนอาการของจิตนะอันนี้ทบทวนนะเห็นร่องรอยให้ชัดพอเป็นอาการของจิตรู้ไม่ทันอาการของจิตปับ๊บมันก็ขยายไปเป็นตัวกิเลสตันหาประิทานต่างๆเอายากแล้วทีนี้ดังนั้น เวลาเราปฏิบัติเราก็จะทบทวนว่าเออหลักการของพุทธเถียนท่านว่าอย่างไรหลักปริยัติท่านว่าอย่างไรแต่เราไม่รู้หลักปริยัติเรารู้หลักการของพุทเทียนก็จําหลักการของพุทเถียนว่าเออเบื้องต้นให้รู้กายรู้ใจนะรู้กายรู้ใจให้เป็นณปัจจุบันนี้นะไม่ใช่ผ่านมานานขณะปัจจุบันได้้แลวกําลังเกิดขึ้นและที่เรายกเรายืนเราดึงเรานั่งเราตามรู้อยู่่เพื่ออะไรเพื่อให้สั่งสมกําลังของสติสัมปชัญะ เอาไปรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเพราะกายใจสิ่งที่เกิดกับใจใจส่วนใหญ่มันเป็นอะไรเ ป, ไเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นทุกข์ขังอนิจจังอนัตตานั่นั้ น, นเวลาหลวงพ่อเทียนพูดถึงกฎใจรักท่านไม่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านเอาทุก ข, ขังขึ้นก่อนเลยทุก ข, ขังอนิจจังอนัตตาใช่ไหมถ้าพูดของอหลักของกิเลสสามประ ก, การท่านก็ไม่ว่าราคะโทสนะโมหะท่านว่าโทสะโลภะโมหะเออ โทสะโลภ ะ, ะโมหะพบางทีก็โทสะโมหะโลภะเนะี่ยดังนั้นคือเอาตัวเด่นๆ เ, เนี่ยท่านพูดตามความรู้สึกเลยนะเอาตัวเด่นๆขึ้นเพราะมันเห็นทุกข์ได้ชัดอะ่ะก็เอาขึ้นมาก่อนเลยเพราะในทุกข์นั้นมีอ น, นิจจังอยู่ด้วยมีอนัตตาอยู่ในนั้นด้วยในโทสะมันก็มีราคะอยู่ในนี้เลยมีโมหะอยู่ในนั้นด้วยมันชัด ดังนั้นสิ่งที่มันเผารนเราตลอดเวลาคือทุกเวทนาต้องตามรู้ตามรู้แก้ไขมื่ให้ทันถ้าตามรู้แก้ไขไม่ทันก็ไปแก้นู่นไปแก้ที่ใจไปแก้ที่นามรูปยากแล้วไปแก้ที่นํารูปไปแก้เอาความคิดออกถ้าหากว่าความรู้สึกของเราไม่เข้มแข็งไม่ชัดเจนเราจะไปแก้เอาความรู้สึกพอจะไม่พอยใจออกก็ยิ่งยากแล้วทีนี้แล้วตามความรู้สึกพอจะไม่พอยใจไม่ทันออกไปเป็นความคิดก็ยิ่งแก้ยากเขึ้นไปอีก นี่เพราะฉะนั้นในวิธีการของหลวพ่เทียนจึงให้มารู้วิธีการตัดไฟแต่ต้นลมมารู้ความทุกข์ที่เกิดรูปนามเป็นอย่างไรความทุกข์ที่เกิดกับนามรูปคือเกิดทางใจเป็นอย่างไรความทุกข์ที่เกิดดางทางใจนะั้นเกิดเพราะอะไรนะเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันเรียกว่าอาวิชชาเกิดเพราะรู้เท่าเอาทันแก้ไขเป็นเกิดเพราะวิชา อ่าเมื่อเป็นอย่างนี้เรารู้และเข้าใจเป้าหมายของการกระทำว่าเราทำเพื่ออะไรเหมือนโยมรู้เป้าหมายของการทำงานเพื่ออะไรเพื่อได้เงินเมื่อการทำงานมันได้เงินมากในค่าชั่วโมงสูงค่หารายวันสูงเนี่ยโยมจะขี้เกียจเป็นไหมไม่เป็นขอโอยต่างหากใช่ไหม ขออีกขออีกกะหนึ่งก็แล้วกันกะเดียวไม่พอนะขนาดทำไปแปชั่วโมงแล้วนะขออีกกะอีแปดชั่วโมงก็แล้ว ก, กันชั่วโมงละห้าร้อยชั่วโมงละพันอย่างเงี้ยนะยิ่งเยอะก็ยิ่งดีเนี่ยยิ่งขยันก็ยิ่งทําก็ยิ่งดีเพราะรู้ความหมายว่ามันได้เงินแล้วเอาเงินมาใช้อะไรแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเจริญสติแบบเนี้เคลื่อนไหวแบบนี้ยมันได้สติอย่างไรมันได้สมาธิอย่างไรมันได้ปัญญายอย่างเราก็ยิ่งขยันไม่ขี้เกียจแล้วที่เนี้ยดูที่ไหนก็อยากทําเพราะมันรู้คุณค่า ของสติเหมือนเรารู้คุณค่าของเงินที่ได้จากค่าชั่วโมงค่ารายวันมันสูงอะ่ะเท่าไหร่ก็เอายากเท่าไหร่ก็เอายมทํางานาตากแดดตากฝนทั้งวันทั้งคืนเพราะได้ได้เงินดีอะ่ะใช่ไหมกลางคืนก็ไม่ยอมหยุดเพราะเรารู้ความหมายของมันว่าได้เงินมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เราในสิ่งที่เราต้องการฉันใดก็ดีถ้าเรามานั่งทําทกรรมาฐานเรารู้ความหมายว่าทําไปแล้วมันได้อะไรเนี่ย เข้าใจอย่างถูกต้องเราจะขี้เกียจไม่เป็นเลยเราจะขยันและร่ามสนุกเพราะมันยิ่งทําก็ยิ่งเห็นยิ่งทําก็ยิ่งได้เพราะเราเข้าใจเนี่ยเพราะฉะนั้นในกฎเบื้องต้นในวิธีการที่พุทธเจ้าท่านนํามาเสนอก็ให้เกิดความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนซึ่งได้กล่าวไปเมื่อวานเข้าใจที่ถูกต้องเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกข์ทุกข์นั้นถ้าแก้ไม่เท่าเอาไม่ทันมันเกิดสมูทัย คือไปเกิดทางใจแล้วตัวไหนเด็ที่จะไปรู้เท่าเอาทันก็คือตัวมาเจริญตัวสติสมัมปชัญญะและปัญญาเมืเ่อเคยสติ ญ, ญาปัญญาก็ไปแก้รูปไม่ทันก็มาแก้น้ำแก้น้ำไม่ทันก็แก้น้ำรูปนามรูปไม่ทันก็มาแก้ความคิดการปรุงแต่งแก้สังขารไปแก้ไปเรื่อยๆถ้าแก้ไม่ทันตรงนั้นแหละเราก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆเหมือนกัน ดังนั้นอามาจึงไม่ห่วงว่าโยมกลับไปบ้านจะทําหรือไม่ทําอยู่ที่ความเข้าใจถ้าโยมเข้าใจแล้วเนี่ยไปห้ามโยมก็ไม่ได้แล้วจะกลับไปบ้านจะไปทำโยมไม่ต้องเข้าใจแล้วเนี่ยมันสนุกนะเหมือนกเด็ก เ, เล่นเกมถ้ามันเล่นไม่เป็นเนี่ยโยมดูกีฬาชนิดต่างๆถ้าเราเล่นไม่เป็นแล้วดูไม่เป็นแล้วขี้เกียจ ด, ดูแต่อีคนโหมันดูได้ทั้งคืนทั้งวันอย่างเด็กเล่นเกมอ่ะเพราะมันเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร เราก็เหมือนกันมาเล่นเกณฑ์กับกายกับใจของเราเนี่ยพอเราเข้าใจเล่นเนี่ยมันสนุกดูกายดูใจทั้งวันสนุกยิ่งกว่าดูหนังอีกนะพอดูหนังต้องการคนแสดงต้องเสียเงินใช่ไหมต้องเสียเวลาแต่เรามันแสดงตลอดเวลาใครเป็นตัวแสดงไตรลักษ์ตัวละครขอ ง, ข อ, งอันนี้อนนีจังก็เยอะแยะไปหมดใช่ไหม ตัวละครของทุกขังก็เยอะแยะไปหมดตัวละครของอนาตาก็เยอะแยะไปหมดมแสดงละครแต่ละเวลาแล้วแสดงละครออกมาเมื่ออาศัยอะไรเป็นเวทีฮะอาศัยรูปนามของเราเป็นเวทีใช่ไหมแล้วรูปนามออกมาเป็นอะไรเปสุขหรือเป็นทุกข์อ่ะเมื่อดูละครอนะ่ะเราดูแล้วเราชอบหรือไม่ชอบอ่าดูแล้วไม่ชอบเราก็ไม่ดูอีกแล้วดูแล้วชอบ เออแล้วก็อยากดูเมืออกันดูกายดูใจซึ่งเป็นสนามเป็นสถานที่แสดงละครของนิจจังทุกขังนาตาดูแล้วมันสนุกต้องได้เลือกเวลาดูต้องได้เลือกเวลาไหมว่าเออหนังจะสายจะเข้าโรงวันนั้นหรืต้องได้เลือกไหมไม่ได้เลือกเพราะมันแสดงตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนไปจนหลับเลยมันแสดงเราจะดูเราไม่ดูเท่านั้นเองใช่ไหมตลอดเวลาทีเดียวนะ ยายนั่งสักพักหนึ่งยายก็เหยียดขาแล้วนะครับอันนี้ทุกครั้งมันแสดงละครนนะ่ะแเราจะดูมันหรือเปล่าแล้วเหยียดขาเพราะอะไรน่ะแต่ต้องตามรู้เลยทีเดียวเอานั่งไปสักพักแล้วมันปวดหนักปวดเบาอ้าวแสดงละครตรงนี้อีกแล้วมันเปิดลงใหม่เรื่อยไปนะฮะเปิดตรงนี้เดี๋ยวไปเปิดประเด็นตรงนั้นเปิดประเด็นตรงนี้โอ้โหถ้าคนไหนดูเป็นยังไม่นสนุกนะแต่ถ้าหากว่าดูแล้วยังไม่สนุกเสดงว่าดูไม่เป็นนี่ยดูไม่เป็นมันก็ โอ้ขี้เกียจดูแล้วถามว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนะี่ยเราจะขี้เกียดดูหรือขยันดูมันก็ทําหน้าที่ของมันแต่ถ้าเราขยันดูอย่างถูกต้องมันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนอ น, นิจจังเป็นศีลถ้าดูเป็นนะเปลี่ยนทุกขังเป็นสมาธิเปลี่ยนอนัตตาเป็นปัญญานี่ดูเป็นนะอ น, นิจจังเปลี่ยนเป็นศีลได้อย่างไร มาได้บอกต้นๆว่าอ น, นิจจังแปลว่าความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความไม่คงที่ความไม่เสถียรความไม่ตั้งอยู่ได้ไม่นานเปลี่ยนแปลงทีการเปลี่ยนแปลงของอนิจจังมีสองอย่างหนึ่งมันเปลี่ยนของมันเองสองเราเป็นผู้เปลี่ยนมันถ้าหากว่าอ น, นิจจังมันแสดงบทบาทในรูป มันเปลี่ยนข้มันเองแล้วนั่งสักพักนึงจากสบายเปลี่ยนเป็นความไม่สบายเพราะความไม่สบายเราทนได้ไม่ได้ถ้าเปลี่ยนแปลงพอทนได้ก็เรียกว่าสุขทนได้ง่ายถ้าหากว่าทนได้ยากเรียกว่าทุกขถ้าทนไม่ได้ต้องเปลี่ยนทนไม่ได้เป็นอนัตตาทนได้ง่ายเป็น สุขขังทนได้ยากเป็นทุก ข, ขังทนไม่ได้เป็นอนัตตาต้องเปลี่ยนแล้วทนไม่ได้แล้วนะอัตตาท่านี้ต้องเปลี่ยนเป็นท่านี้ไปแล้วใช่ไหมนี่ให้เพื่ออะไรเพื่อให้ตัวทุก ข, ขังให้มันดับไปให้มันหายไปก็ทนได้ง่ายขึ้นมาใหม่ละสบายสักพักหนึ่งนั่งท่านี้ปวดใหม่ มันก็จะวนอยู่นี้เรียกว่าอานิจจังมันเปลี่ยนในรูปมันเปลี่ยนของมันเองการที่มันเปลี่ยนของมันเองแต่เราไม่มีสติปัญญาเข้าไปรู้การเปลี่ยนแปลงของมันตรงนี้อนิจจังเปลี่ยนเป็นความพอใจเพราะอะไรเพราะมันหนักเวลาเปลี่ยนไปเป็นเบาเราก็สิ่ชอบใช่หมแต่เรารู้หรือไม่รู้ขณะเปลี่ยนถ้าเรารู้ ตัวอ น, นิจจังก็ทําให้เรารู้สึกปกติคือสบายเรียกว่าศีลเพราะฉะนั้นศีลในแง่ของปรมาจา์แปลว่าปกติแต่ศีลในแง่สมมุติแปลว่าข้อห้ามข้อควงดเว้นข้อควรกระทําเป็นกฎเป็นกติกาเป็นระเบียบแบบแผนเรียกว่าศีลแต่ศีลในแง่ของปรมาจา์แปลว่าปกติปัญจะศีล น, นิจจะศีลเป็นปกติทําให้กายปกติคือไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปปกตินี่ เรียกว่าเปลี่ยนอ น, นิจจังเป็นศีลคือเปลี่ยนให้ร่างกายเป็นปกติถ้าเปลี่ยนไม่รู้สึกตัวเป็นสันชาตยานถ้าเปลี่ยนอย่างรู้เนื้อรู้ตัวอ น, นิจจังเปลี่ยนเป็นศีลอ่ะทีนี้ถ้าหากมันอ น, นิจจังต้องเปลี่ยนไปเป็นทุกขงังเราก็ตั้งใจเฝ้าดูมันว่ามันถึงเวลาเปลี่ยนได้ยัง เฝ้าดูมันว่ามันมันทุกไปถึงไหนพอมันทุกเต็มที่พอจะทนไม่ได้ปั๊บก็เข้าไปเปลี่ยนมันซะก่อนตรงนี้เรียกว่าการตั้งใจดูทุกขที่มันกําลังเกิดตามลําดับอย่างชัดเจนความทุกข์ขังเปลี่ยนเป็นสมาธิแต่ถ้ามันเกิดความรู้สึกไม่สบายแล้วเปลี่ยนพลิกเปี่ยนพับไปเลยเนี่ยโดยที่ไม่ตั้งใจดูว่าทุกอย่างไรเราเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวลักษณะนนั้ทุกข์ขังก็เปลี่ยนเป็น ปฏิฆะและพยาปาทะหรือว่าโทสะเพราะอาเกิดความไม่พอใจแล้วคือเปลี่ยนมันแต่เปลี่ยนมันด้วยความเข้าใจมันตรงนี้ตามเข้าใจให้ดีนะว่าทุกขังเปลี่ยนเป็นเป็นสมาธิแล้วเปลี่ยนเป็นตัวปฏิฆะได้อย่างไรคนละเรื่องเลยนะถ้าเปลี่ยนเป็นปฏิฆะมันเปลี่ยนเป็นกิเลสใช่มถ้าเปลี่ยนเป็นตัวสมาธิมันเปลี่ยนเป็นตัวธรรมเห็นมตัว ทุกขังจะเปลีป่ยนเป็นสมาธิก็ได้เปลี่ยนเป็นปฏิฆะเรื่องความหงุดหงิดก็ได้อยู่ที่เราตั้งใจตามรู้ตามดูการตั้งใจตามรู้ตามรู้ตัวทุกขังที่กำลังเกิดนั่นเองเป็นสมาธิาต่อไปตัวอนัตตาเปลีป่ยนเป็นปัญญาอย่างไรในขณะที่เราทนไม่ได้อ่าทุกขังแปลว่าทนได้ยากใช่ไหมทนได้ยากแล้วมันทนต่อไปไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนต้องพลิก ต้องลุกต้องยืนต้องเดินต้องขยับในขยับที่ขนาที่เราจะขยับปรับเปลี่ยนตัวที่มันทนไม่ได้อย่างชัดเจนว่าโอไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับแล้วเข้าไปดูการดับไปเมื่อกี้มันหนักใช่ไหมพอเปลี่ยนปับ๊บความรู้สึกไม่สบายค่อยๆดับไปเห็นการดับไปอย่างชัดเจนการเห็นดับไปอย่างชัดเจนเรียกว่าเห็นอนัตตานั้นเกิดปัญญา เออไม่รู้จะตามทันหรือเปล่านะตรงนี้นะแต่ทันหรือไม่ทันมันต้องไปตามกฎอันนี้ถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะไปทําแล้วก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างชัดเจนตัวนี้ก็จะเป็นวิปัสนานะโดยเฉพาะโยมคนใหม่พอฟังไหวไหมเข้าใจได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวถามกันทีหลังนะวันนี้นะทังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วมันสนุก ถ้าคนทั่วไปทำไมไม่อยากปฏิบัติธรรมเพราะไม่เข้าใจปฏิบัติไม่รู้ปฏิบัติไปทําไมไม่ได้เห็นได้อะไรเลยสามวันห้าวันเนี่ยไปรับจ้างวันละสองสามร้อยไปไงผ่านไปห้าวัน ไ, ได้หลายร้อยเหมือนกันนะมาเป็นพันนะมานี่ทั้งห้าวันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยโอ้โหมันคิดในแง่ของสมัยเศรษฐกิจอย่างเนี้ยการเวลามีราคาอคิดกันเป็นชั่วโมงแต่มาที่นี่แต่ละชั่วโมงผ่านไปถ้าเราไม่ได้สติสมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นนะ โอเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งทีเดียวนะเป็นการสูญเสียดังนั้นเราจะเสียเวลาไปให้เปลี่ยนตัวถ้าเราสามารถเปลี่ยนคุณค่าของอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เป็นศีลสมาธิปัญญาได้เราจะอยู่เหนือการเวลาเรียกว่าอากาลิโกการอยู่เหนือการเวลานั้นเป็นเวลาที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดนะคืออาการลิโก เอาเวลาเราสวดใช่ไหมสันทิฏฐิโกอากาลิโกคือถ้าเราเปลี่ยนอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาให้เป็นศีลสมาธิปัญญาได้เราจะอยู่เหนือกาลเวลาเราจะพบอมาตะธรรมคือไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปคือไม่ทุกข์อีกต่อไปอ่ะถ้าจะว่ากันตรงๆอ่ะถ้าพบกฎอันนี้แล้วจิตของเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะมันถูกเปลี่ยน มาเป็นสีนสมมธิปัญญาสีนปัญญาก็รู้แล้วว่าเป็นหนึ่งเป็นความรู้สึกปกติสองเป็นความตั้งมั่ น, ส า, นา ส, า ส, นะสามเป็นความสว่างสวยนะสามเป็นความสว่างสวยถ้าอย่างนี้มันก็ดีกว่าความลาคะโทสะโมหะความรักใครกระหายอยากความหงุดกงิดวุ่นวาย ความปฏิฆะขุนมัวหรือความมืดบอดต้วย า, าค่าโทสะโมหะหรือจะเอาอย่างนั้นถ้าเรารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันเราก็ไปตกไปสู่ความพอยใจไม่พอใจความไข่ความกระหายอยากความหุดหิดขุนมัวความาหลงลเลิ่งเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆชีวิตของเราเคยเป็นมาอย่างนั้นใช่ไหมดังนั้นเองในหลัก วิธีการเราก็เทียนจำให้แม่นให้ชัดเลยว่าเบื้องต้นต้องรู้จักว่ารูปนามกายกับใจของเราเนี่ยมันมีอะไระมันมีหน้าที่ของมันว่าเป็นรูปมันก็ทำงานนามมันก็ทำงานรูปทำงานตามกฎของอะไรอั น, นิจังทุกขังหน้าตานามทํารํำงานของกฎอะไรกฎของราคะโทสะโมหะกฎของอัตไทย กิเลสนั่นแหละนะเพราะเราไม่สามารถควบคุมทุกขังอนิจจังอนัตตาที่เกิดกับกายได้เพราะเราไม่ได้เจริญสติพอเรามานั่งเจริญสตินั่งเจริญความรู้สึกตัวปั๊บเนี่ยเรารู้เท่าทันว่าร่างกายที่เป็นอนิจจังทุกขอังอนัตตาเป็นอย่างไรคือมันกําลังทุกข์นั่นเองกําลังไม่สบายแทนที่จะว่าเข้าใจว่าฉันเป็นทุกข์ฉันไม่สบายกูเป็นทุกข์กูไม่สบายก็เปลี่ยนว่าอ๋ออันนี้ความรู้สึก มันเป็นทุกความรู้สึกมันไม่ใช่บายความรู้สึกไม่ใช่ฉันความไม่สบายไม่ใช่ฉันความแปรปรวนแปลงมันไม่ใช่ฉันมันก็คือรูปเท่านั้นหน้าที่ของรูปรูปทํางานรูปทํางานตามกฎของใจรักคือแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแปกดับตลอดเวลามันไม่ใช่เราแต่พอเราไม่ได้เจริญปัญญาเราไปเข้าใจว่าอันนี้จังทุกขังนาตาเป็นอะไรเป็นเราอ่าเป็นเราแล้วเราเป็นอะไรนี้เราก็เป็นทุกช่วยไหม นี้เรียกว่าเห็นไม่ถูกเห็นทุกเป็นเราเห็นเราเป็นทุกนะความจริงเห็นทุกเป็นเพียงรูปนามไม่ใช่เราเห็นรูปนามมันเป็นทุกไม่ใช่เรานี้เรียกว่าเปลี่ยนจากสักกายทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้แล้วแต่ถ้าเราเห็นทุกเป็นเราเห็นเราเป็นทุกเรียกว่าเปลี่ยน สักกายทิฏฐิให้เปลีป่ยนสัมมาทิฏฐิให้เป็นสักกายทิฏฐิคือสําคัญผิดว่าเราเป็นทุกข์ว่าทุกข์เป็นเราเราชอบเราไม่ชอบนี่คือวิถีชีวิตที่เราเป็นอยู่มันถึงทุกข์ยังไงทุกข์ไม่แล้วไม่เลิกทุกข์ชาตินี้แล้วไม่พอไปทุกข์ต่อชาติหน้าอีกทุกข์ต่อชาติหน้าไปทุกข์ต่อชาติชาติต่อไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปโทษใครเราไปโทษพ่อโทษแม่โทษพี่โทษน้องโทษครูว่าอาจารย์โทษคนนั้นคนนี้ไม่ได้โทษตัวเราเองที่ไม่แสวงหา ดวงตาคือปัญญานะเอาละทีนี้เรารู้ว่ารูปนามเนี่ยมันทำงานของมันเรียกว่ารูปธรรมคือทำตามกฎของใจรักอันนี้อย่งทุกขงังแหะที่นามทำล่ะนามทำนามหน้าที่อะไรทำหน้าที่สองอย่างคือทำหน้าที่รู้และไม่รู้ถ้าทำหน้าที่รู้มีสองอย่างรู้แบบไม่รู้และรู้แบบผู้รู้เนี่ย หลวงพ่เทียนว่าไว้นะรู้แบบผู้รู้ก็รู้แบบผู้ไม่รู้เอ๊ะรู้แบบไหนเวลานั่งไปปวดขานี่รู้ไหมโยมรู้ใช่ไหมแล้วก็พลิกเปลี่ยนไปปั๊บเนี่ยรู้ไหมว่าพลิกเปลี่ยนไปรู้แบบผู้ไม่รู้คือเปลี่ยนไปโดยไม่รู้นี่เราก็รู้แบบผู้ไม่รู้รู้ว่ามันปวดขาแต่พลิกไปปวดขาเพื่อให้มันไอขายอปวดขารู้ไหมว่าปวดขาเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ดับไปรู้ไหม ไม่รู้นี่เขาว่ารู้แบบผู้ไม่รู้รู้ว่ามันทุกข์แต่ว่าเอาทุกข์ออกไม่เป็นแต่รู้แบบผู้รู้ไหมเขาว่าเออรู้ว่าปวดขาอ๋อปวดขาเพราะอะไรเพราะมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็เป็นทุกขงังทุกขังทำไงเอาออกออกยังไงเราเห็นการออกไปของทุกขงังแล้วเห็นมันว่าทุกขังหายไปยังไงดับไปยังไงลักษณะที่เรียก ว, ว่ารู้แบบผู้รู้ ส่วนใหญ่เรารู้แบบผู้ไม่รู้คือเปลี่ยนแปลงไปตามความเคยชินนั้นั้นเราเปลี่ยนความทุกข์ออกจากกายสิบครั้งเนี่ยขอให้รู้สักหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งขึ้นไปเรื่อยๆแต่คนไหนรู้ทีเดียวปุ๊บก็ถือว่าเก่งมากละแต่คนไหนที่ยังไม่เก่งก็ <c oughs> เปลี่ยนไปสิครั้งขอให้รู้สักสองสามครั้งก็ยังดีเอเพิ่มไปเรื่อยๆโอปิคีพิกขาไป หครั้งรู้สึกตัวโอ้มิคี้พิกไปไม่รู้สึกตัวเอาแล้วไปตั้งใจรู้ใหม่เนี่ยถ้าันนี้คือความพยายามเท่านิดเดียวมันก็ง่ายขึ้นโอมีคี้หายใจไปทั้งสิครั้งเพิ่งรู้ครั้งเดียวเดี๋ยวหายใจสิบครั้งเขารู้สักสองสาครั้งก็ลําดับไปเลยเพราะในทั่วเนื้อทัว่วตัวของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กําหนดรู้ได้ทั้งหมดเพราะมีการเคลื่อนไหวทุกจุดพับต า, าปากหายใจเลี้ยวซ้ายแลงขวากุ้มเงยหยิบจับจับ่บบวยตามรู้ได้หมด แต่ถ้าเราตามรู้สิ่งเหล่านี้ทันมากเท่าไหร่มันก็เปลี่ยนตัวอานิจังทุกขังอนัตตาให้เป็นศีลเป็นสมถิปัญญาได้มากขึ้นถ้าภาษาง่ายๆคือเปลี่ยนตัวรู้ให้เปลี่ยนตัวหลงให้เป็นตัวรู้เปลี่ยนอวิชชาให้เป็นวิชานี่นีภาษาสมมุติพูดเฉยๆนะเราจะแต่ควาหมายไม่แค่สองอย่างเพราะฉนั้นเวลาจะเคลื่อนไหวจะพิกจะเปลี่ยนจะเคลื่อนจะไหวอะไรต่างๆให้ตั้งสติก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนไปนะถ้าอย่างนี้ทุกครั้งไปเราก็จะเห็นความเบากายเบาใจเห็นอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาคือเห็นรูปเห็นนามเห็นตัวพอใจไม่พอใจและเฉยเฉยเห็นนามรูปนะเพราะความพอใจไม่พอใจมันปรากฏที่ใจคือนามรูปแต่เห็นความรู้สึกสบายไม่สบายหรือเป็นกลางเห็นรูปนามตรงนั้นให้ชัด เห็นตูนั้นชัดในตัวความพอใจไม่พอใจมันก็จะเปลี่ยนเป็นความปกติเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาไปในตัวนะเพราะฉะนั้นไปทบทวนตรงนี้ให้ดีช่งชวงเช้านี่นะช่วงวันนี้ไปดูเรื่องว่าความรู้สึกไม่สบายกายมันไปสู่ใจอย่างไรความรู้สึกสบายกายมันไปก่ะอะไรที่ใจความรู้สึกที่เราไม่ตั้งใจดูไม่สนใจดูมันไปก่ออะไรที่ใจ ดูแค่สามอย่างเนี่ยเห็นตนัวนี้ทบทวนตรงนี้ดูตรงนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าไม่ต้องนานเลยแค่วันเดียวมันก็ชัดเจนแหละถ้าเราดูได้มากนะแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจดูตรงนี้ร้อยวันพันปีก็เหมือนเดิมทุกเหมือนเดิมวุ่นวายเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้ดูแก้ไขที่กายไม่ได้แก้ไขที่รูปที่นามนะเบื้องต้นให้รู้รูปนามรู้อย่างนี้รู้นามรูปคือรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจให้รู้อย่างนี้รู้อันนี้จังทุกขังนันดาที่เกิดกับกายอรู้ ความรู้และความหลงที่เกิดกับจิตรู้อย่างนี้นะที่ต่อไปท่านกั่นเช้าท่านเทไอท่านสวดลวดไปถึงว่าเรื่องจิตด้วยนะราคะสาราคังวาจิตตังสาราคังจิตตันติปะชานาติวีตาราคังวาจิตตังวีตาราคังจิตตันติปชาาติเมื่อราคะเกิดให้รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะคยมีเมื่อจิตรู้สึกชอบ ก็รู้ว่าชอบเมื่อจิตมีความรู้สึกไม่ชอบให้รู้ชัดๆว่าขณะนี้ความชอบใจความพอใจในจิตไม่มีความพอใจก็ไม่มีความไม่พอใจก็กให้รู้ชัดๆนะสาโท้ังวาจิตตังสาโท้ังจิตตันติประชาเมื่อความไม่พอใจมีอยู่ก็ให้รู้ชัดๆว่าขณะนี้น เ, เราไม่พอใจนะเอาสติเข้าไปดูความไม่พอใจเป็นอย่างไร ก็เห็นจิตว่างๆเรียกว่าวีตะโทสั่งวาจิตตังวิยะโทสั่งจิตตันติประชาณติให้รู้ชัดๆต่อขณะนี้ความรู้สึกไม่พอใจในจิตไม่มีนะจิตว่างๆจิตว่างจากความรู้สึกความพอใจไม่พอใจก็ให้รู้นี่ให้รู้จิตอย่างนี้เพราะท่า น, นให้ดูไปถึงเท่าไหร่สิบหคู่นะคู่ที่หนึ่งก็คือความพอใจไม่คู่ที่หนึ่งความพอใจ และไม่มีความพอใจคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองความไม่พอใจจิตที่ไม่มีความไม่พอใจคู่ที่สามความรู้สึกหลงจิตที่ไม่มีความหลงคู่ที่สี่จิตหดหูและจิตฟุ้งซ่านก็ไม่มีนะจิตได้อารมณ์ดีก็ไม่มีจิตได้อารมณ์อันเลิศไม่ได้อารมณ์อันเลิศก็ไม่มี จิตที่มีจิตอื่นเข้ามาแทรกก็ไม่มีนะจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่หลุดพ้นจิตที่ไม่หลุดพ้นมีอยู่แปดคู่สิบหกอย่างในเรื่องของจิตนะแต่ให้ดูแค่สองอย่างว่าจิตมันคิดหรือไม่คิดก็พอแล้วจิตมันรู้มันหลงแค่สองอย่างก็พอแล้วขณะนี้จิตรู้กายรู้ใจหรือเปล่าก็รู้อ๋อขณะนี้เรารู้สึกตัวอยู่นะแต่พอเพลินไปปั๊บอ๋อ เราไม่รู้สึกตัวแล้วนี่ก็รีบกลับมาไวๆจิตก็กลับมาแต่รู้แค่สองอย่างเพราะนันในหลักปริยัติท่านแยกไว้ละเอียดเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เห็นที่ไปที่มาว่าเออความไม่รู้มันมาจากอะไรนะความรู้สึกตัวมันมาจากอะไรนะท่านให้รู้ที่ไปที่มาเท่านั้นเองแต่หลักๆมันก็คือรู้ว่ากายน้สายก็รู้ไม่สบายก็รู้แต่สบายก็ไม่รู้ไม่สบายก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุ ก, ก็ไม่รู้อ่าตรงนี้แหละ เราก็เข้าไปสู่ตัวอวิชชาละนะเพราะนั้นก็จึงอยากให้ญาโยมทั้งหลายเนี่ยจับหลักให้เกิดความเข้าใจตามที่อมาได้ทำนาที่นี่มายาวนานมีประการเดียวที่คนช้าคุณไม่ไปไหนคือไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถูกนะเพราะนั้นสิ่งที่มานำเสนอเนี่ยเพื่อสร้างความเข้าใจไม่ได้บอกว่าโยมต้องไปทำเยอะๆแต่ต้องบอกให้เข้าใจเยอะๆ เมื่อเข้าใจเยอะแล้วเรารู้วิธีการของเราเองไม่ต้องบอกเราว่าต้องทําให้เยอะๆเรารู้วิธีการเพราะอะไรเพราะว่าเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเคลื่อนไหวเพราะอะไรเพราะเราทุกตลอดเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปมาเบื้องหลังตป๊บกลาวของมันก็คือทุกขังใช่ไหมเปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้สับตรงนั้นตรงนี้คือความไม่สบายเปลี่ยนไปหาความสบายแล้วมันสบายสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนใหม่อีกแล้วใช่ไหม สักพักหนึ่งเอาแมงมาเก่อหัวเป็นทุกข์เอามือไปเกาหัวละแต่รู้ตัวเมื่อเอามือไปเกาหัวอ่าไม่รู้เนี่ยเห็นไหมมีแต่ยกมือแต่ว่าเวลาแมงมาเก่อหัวมือไปเลยจะเดือดร้อนวัดแทนที่จะเออพอยุงมาเกาหั ว, หวโยเซมอยค่อยๆเลื่อนมันไปโอ้ไม่ทันดิหนะก็ขึ้นรู้ตัวแบบไวๆก็ได้ไม่ได้รู้ๆแบบช้าๆก็ได้ช้าไม่ทันยุงใช่ไหมอืม응เพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยมันรุกรานเราตลอดเวลาเห็นไหมทําให้เราต้องดิ้นเน่ะ ดิ่นไปดิ่นมาดิ่นโน้นดิ่น น, น, นี้ดิ่นตลอดเวลาเรียกว่าอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงเพราะทุกขังอนิจจังทุกขังก็ทํางานเป็นเหตุเป็นปัจจัยของกันพราะมีอนิจจังจี่เกิดทุกขังพ่อมีทุกขังที่เกิดอนิจจังพ่อมีทุกขังอนิจจังมันจึงเกิดนั้นนาตาก็เห็นลักษณะอย่างเนี้ยแทนที่จะเห็นว่าเราทุกเราสบายเราไม่สบายก็เห็นอนิจจังทุกขังทํางานในรูปในนามอันนี้เราเป็นผู้ดูละครอย่างที่กล่าวมาแล้ว นครก็มีแค่สองเรื่องเท่านั้นเออสามเรื่องที่เรื่องอะไรบ้างยุม่มจุกให้ใครจะตอบได้ด็เตอรตอบได้นครในตัวของเรามีสามเรื่องนะเรื่องอะไรบ้างเอ๊ะยัยงรังเลอีกฟังมาเป็นชั่วโมงแล้วเนะี่ย <laughs> เรื่องพอใจเรื่องพอใจและเรื่องไม่พอใจ และก็เรื่องหลงคือเรื่องไม่ใส่ใจเรื่องพอใจเรียกว่าลาคะเรื่องไม่พอใจเรียกว่าโทสะเรื่องไม่สนใจเรียกว่าโมหะมันมีสามเรื่องแค่นั้นเองบางครั้งเรก็พอใจบางครั้งก็ไม่พอใจบางครั้งก็ไม่สนใจใช่ไหมใครจะเป็นอะไรก็ช่างมันฟัง้วเหมือนกันบางคนฟังด้วยความพอใจบางคนฟังด้วยความไม่พอใจบางคนก็ฟังด้วยความไม่อะไรไม่สนใจมีใช่ไหมแต่ละคนก็จะมีสามประเภทแค่นี้ คนเป็นหมื่นเป็นแสนก็ตามเสร็จแล้วก็สรุปก็จะมีสามคนคนหนึ่งพอใจคนหนึ่งไม่พอใจคนหนึ่งเป็นไงไม่ใส่ใจไม่สนใจนะละครก็จะมีสามเรื่องแค่นี้แต่ละวันแต่เราดูสนุกได้ทั้งวันเพราะว่าเราไม่เห็นตัวละครนะเราไม่เห็นตัวละครไม่เห็นราคะไม่เห็นโทสะไม่เห็นโมหะไม่เห็นอภิชาและโทมนัตท่านว่าดังนั้นเะนะนะวลาเรามาเจริญสติตรงนี้ท่านบอกว่าให้ ตัดมาตัดแค่2เรื่องนะทั้ง3เรื่องมาตัดแค่2เรื่องนี้ตัดความพอใจและไม่พอใจอภิชาและโทมนัทเวลาเรสวดกายเยกายานุปัสสิวิหัรติอาตาปีสัมปชานุสติมาวินัยยโลกเก อ, อภิชาโทมานัสสังว่ามีสติตามรู้กายในกายด้วยสติและสัมมัญญะเราสามารถจะตัดความรู้สึกสองอย่างได้คือความรู้สึกพอใจอภิชาและความไม่พอใจคือโทมนัท นะกากับไว้ทุกจุดเลยนะท่านกำกับเอาไว้เวทนานุปสิวิหะทิอาตาปีสัมปชัญญวินัยโยเกียพิชาถุมาในสั่างกากับไว้ทุกที่เลยดัง น, นั้นเราจะเห็นว่าหลักการที่หลวงพ่อเทียนท่านรู้มาสอนเราก็หลักไม่ได้คัดค้านหลักการของพุทธเจ้าแม้แต่นิดเดียวแต่ด้วยความไม่เข้าใจทั้งสองหลักเราก็เลยเอามาเทียบเคียงกันไม่ได้แต่พ่อมา เข้าใจทั้งสองหลักนี้เรามาเชีย่ยเห็นว่าโอมันไม่ได้ขัดกันเลยนะแต่ด้วยความไม่เข้าใจเราก็นึกมันขัดกันแล้วก็ทําไปด้วยความลังเลสิเอ้ใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกเราก็ทําบ้างไม่ทําบ้างยังไม่เห็นคุณค่าของการกระทาแต่พอเข้าใจแล้วเห็นคุณค่าของการกระทำเราก็ทีนี้ไม่ให้พลาดเลยแม้แต่นาทีเดียวดูแต่ละเวลาเอามาก็ตื่นขึ้นมาทําตลอดทํามาจนถึงเนี่ยทําแล้ว มันรู้สึกสบายเบาสบายเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติปัญญาเกิดความเข้าใจอะไรต่างๆแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะรู้สึกไม่สบายรู้สึกลังเลสงสัยจะเอาอยัางไงจะไปที่ไหนจะทำอย่างไรวันนี้ใครเราจะอยู่กลุ่มไหนไปทางไหนคิดไปเลยแต่ถ้าหาว่าเรารู้สึกสบายอะไรเกิดขึ้นก็ก็ทำไปตามเหตุปัจจัยไม่ต้องไปคิดล่วงหน้าไม่ต้องคาดคะเนล่วงหน้าว่าอะไรจะทำอย่างไรแล้วแต่ท่านจะพาไปนะ อย่างนี้ก็สบายจะลุกก็สบายจะนั่งก็สบายจะรอคอยก็สบายอยู่นะแต่ในขณะที่เราพูดเราบอกเราเตือนกันแล้วรู้สึกลึก ok ได้อ่ะแต่พอออกไปจากวงนี้แล้วลืมไปแล้วนะลืมไปแล้วว่าเมื่อกี้ท่านว่ายอย่างไรก็กลับไปอยู่ความรู้สึกสองอย่า ง, างเดิมเดิมคือความรู้สึกพอใจไม่พอใจเนะี่ยเพราะฉะนั้นทุกครั้งถ้าเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจให้ลึก ok ได้ทันทีโอ้เรารู้สึกไม่พอใจแล้วนี่แค่นี้ก็ดีแล้วนะ การปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าดังนั้นหลักการที่เราลําดับมาแต่ต้นว่าให้รู้รูปนามรู้นามรูปแล้วก็รู้รูปนามและนามรูปเกิดจากอะไรเกิดจากอนิจจังทุกขังหน้าตาและอนุอนิจจังทุกขังหน้ตามันทํางานที่ไหนมันก็ทํางานในขันห้าของเราเนเองรูปเวทนาชัญญาสังขารวิญญาณเมื่อมารู้ รูปรูปน้นามรู้การทำงานของรูปนามด้วยอะไรแล้วเวลาเราไม่มีสติสัม ย, มลย า, า, มมยมาม ล, ลมันเปลี่ยนเป็นอะไรแต่ถ้ามีสติสัมยามีความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วตัวแต่ละมันเปลี่ยนเป็นอะไรก็รู้ไปอย่างนี้มันก็เบาสบายขึ้นเรื่อยๆเรา ย, ย้ำแค่นี้แหละไม่ต้องไปเอาหลักการอะไรมากนะแต่ว่าสิ่งที่พูดเพียงชั่วโมงเดียวในแต่ละเช้านี่เอาไปทาเป็นห้าปีสิบปีมันยังไม่จบนะ ถ้าทําไม่เป็นนะแต่ทําเป็นสามวันก็จบหรือถ้าทำเป็นจริงจวันเดียวก็จบจบคุณหมายควาว่าเข้าใจหมดแล้วเลาไปทําได้แต่บางคนบอกว่าผมเข้าใจหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้เอาไปทําแสดงว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจเข้าใจแต่ตัวหนังสือและคําพูดแต่ไม่ได้เข้าใจในตัวเองนะไม่ได้เข้าใจด้วยตัวเองถ้าเข้าใจด้วยตัวเองต้องรู้ว่าโอ้สิ่งนี้ขาดไม่ได้ฉันต้องทํำตลอดเวลา โยมคนหนึ่งมาบวนให้ฟังเมื่อวานโอ้เมื่อก่อนผมปฏิบัติได้ดีมากเลยหลวงพ่อนะหึง ข, ขนาดอยากจะบวชเลยแต่ว่าในช่วงนั้นลูกยังเรียนไม่จบผมต้องกลับออกไปทำงานตอนนี้พอลูกเรียนจบแล้วผมกลับ ไปอยู่กับงานหมดเลยเอารมณ์ที่ปฏิบัติมาหายไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ผมกลับไปเป็นคนเดิมเลยหลวงพ่อทำงางเดียวโอ้คุณกลับมาไม่ทันแล้วคุณเริ่มแก่แล้วตอนนี้ตอนนั้นคุณมาตอนหนุมน่มๆอยู่อันนั้นคุณมีโชคครึ่งเดียวได้มารู้ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งคุณไปไม่ถึงอนะันนะอันั้นจะทําไงเอาเข้ามาใหม่ดูดิก็มีเมื่อวานโยมาดะบน่นด้วยความท้อถอยอยู่เมื่อก่อนผมปฏิบัติได้ดีมากาผมต้องกลับเข้ามาทีนี้ผมจะบวชเลยเอ้าวทำไมต้องบวชล่ะ ไม่บวชไม่ได้เลยปฏิบัติแบบชาวบ้านไม่ได้พงพอกิเลสมันเยอะเหลือเกินออกไปข้างนอกมันโดนลุมหมดเลยว่างั้นเอาผ้าเหลืองก็ยังโดนลุมนะเอาผ้าออกมาอยู่ว่ดเราปลอดภัยที่ไหนเนี่ยอ่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจของเราเด็ดขาดเข้มแข็งจริงๆคุณไม่ต้องห่งผ้าเหลืองก็ได้แต่คุณจิตใจไม่เด็ดขาดไม่เข้มแข็งคุณห่งผ้ะเหลืองคุณก็ไม่รอดมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่บวชหรือไม่บวชแกก็มีกําลังใจขึ้นมานะคือกลับไปเมื่อวานนั้นะเอาฟอร์จิเนมาจอด ต, ตรงนี้ เมื่อก่อนพอลูกหาเงินทำงานหาเงินได้แล้วซื้อ f อ r t จ n e er น่ให้พ่อขี่แล้วก็พ่อพ่อก็ไปลุยกับกิเลสได้เต็มที่เลยตอนนี้ลืมทางวัดเลยทีนี้ต้องระวังให้ดีในะเรื่องนี้นะมันมีมาร น, นะถ้าเราปฏิบัติอะไรดีเดื่อมีมารมาดึงเอาไปเพราะเดี๋ยวนี้มารมันเยอะนะถ้าหากว่าเราไม่ระวังเนื้อระวังตัวจริงๆเนี่ยถ้าจะว่าไปเดี๋ยวนี้ไฟมันเยอะน้ำมันน้อยไฟป่ามันเยอะ พ่ออะไรพ่อราค่าโทรศัพมันแรงเหมือนแสงพระอาทิตย์มันเผาผาน <c oughs> ป่าไหม้หมดเนี <c oughs> ่ยอะไรมากระทบหน่อยมันก็จะอะเกิดความรู้สึกปึงปังขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาละไฟมันก็ไหมอีกนะอันนั้นเองก็ไปงานอบรมแต่ละแห่งเนี่ยก็ไม่อยากจะให้โยมจะต้องเสียเวลาคําว่าไม่เสียเวลาหมายความโยมกลับบ้านโยมก็ยังเอาไปทำเหมือนเดิมกลับมาอีกครั้งนะโยมเป็นคนใหม่ละถ้ากลับมาอีกครั้งเนะี่ย ยังเหมือนเดิมหรือแยกกว่าเดิมแสดงว่ามาครั้งนี้เสียเวลามากนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลับไปว้าไม่ไดเอาไปทําเลยเอาไปทิ้งนะเอาไปทิ้งดังนั้นในช่วงที่มาอยู่ด้วยกันสามวันห้าวันขอให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเองส่วนโยมจะเอาไปทําหรือไม่ทำํำโยมที่ความเข้าใจถ้ากลับเอาไปทําอีกแสดงว่าเข้าใจถ้ากลับแล้วกลับไปแล้วไม่เอาไปทําอีกแสดงไม่เข้าใจาเหตุการณ์ไม่ใช่เรื่องตัวอุปสรรค เป็นเป็นหลักไม่ใช่หลักเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเรื่องเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องการเมืองเรื่องสงครามเรื่องความขึ้นลงของสงังคมไม่ใช่ตัวอุปสรรคหลักตัวอุปสรรคหลักคือความเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยสิ่งวแวดล้อมมันกลายเป็นอุปกรณ์ส่งเสริมให้เราปฏิบัติได้ดีเศรษฐกิจจะล้มเหลวบ้านเมืองจะวุ่นวายเกิดสงครามเกิดเข้ายากมากแพง ไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่มันกลเป็นตัวอุปกรณเราได้เห็นทุกอ่ะอ๋ออันนี้เป็นอนนีจังเนาะเมื่อก่อนมันเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปอ๋อเป็นอนนีจังก็เข้าใจธรรมะนั่นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ความแปรปรวนของสังคมของเศรษฐกิจการเมืองสังคมไม่ใช่ตัวนอุปสรรคถ้าเราเข้าใจแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันกลับเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงโอ้หลวงพ่อเหตุการณ์ข้าง น, นอกมันแย่เหลือเกินผมไม่ไหวแล้วนั่นก็แสงดงว่าเรามองด้วยความไม่เข้าใจมองว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเราเราเป็นเหตุการณ์ มองเห็นว่าเราเป็นทุกทุกเป็นเราแต่ถ้าเรามองเห็นว่าเราไม่ได้เป็นทุกทุกไม่ได้เป็นเรานทุกมันก็คือตัวใจรักที่ปรากฏอยู่ในรูปทุกรูปไม่ใช่เราทุกคนเดียวทุกรูปทุกนามที่เป็นรูปมันจะต้องโดนกดของใจรักอันนี้จังทุกขังเล่นงานหมดแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของรูปคนนี้คือใจของเราเนี่ยจะเป็นทุกข์กับกายไหมเปลี่ยนทุกข์ทางกายให้เป็นความ ปัญญาทางใจได้ไหมนี่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราทำน้อยไปหรือเปล่านะเราเข้าใจน้อยไปนะเมื่อเราเข้าใจมากเข้ามากเข้ามันก็ง่ายขึ้นดังนั้นในช่วงเช้าวันนี้หลวงพ่อสรุปอีกทีหนึ่งนะก่อนที่เราจะลุกขึ้นไปรับอาหารว่าในอารมณ์รูปนามขอให้รู้เพียงแต่ว่าให้รู้เท่าทันว่าอะไรกาลังเกิด สุขหรือทุกข์เกิดกับกายของเราสบายหรือไม่สบายให้ดูลงไปชัดๆแก้ไขไปดูไปแก้ไขไปดูแก้ไขไปแต่ถ้ามันลืมมันหลงไปก็อย่าให้มันยาวกลับมาตั้งต้นใหม่อย่าไปใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่มันดึงมันดูดมันออกไปข้างนอกใส่ใจสักสเอร์เซ็นก็พอแต่มาใส่ใจอยู่กับกายตัวเองแค่็สเซ นะห้าสิบห้าสิมันก็เสี่ยงแลวนะไปใส่ใจคข้างนอกห0สเใส่ใจดึงห้าสิเซมันยากอย่างน้อยก็เหตุการณ์ข้างนอกมันแรงกว่ามันก็ดูดไปเราตั้งไว้ห้าสิปอร์ซมันดูดไปเจ็0สิบปซก็มีไม่ทันมันนะเรากำลังทำอะไรดีๆใครมาตะโกนด่าเราด้วยความไม่เข้าใจไปไงไปแล้ว 90% ้าสิบเอร์ซเลยใช่ไหมแค่ แล้วความรู้สึกที่ตัวเองแค่สิบอร์เซ็นหรือเราทาําอะไรอยู่ดีๆกว่าดอยู่ดีเขาเกิดมาชมแล้วคุณขยนนันยังเนาะมาวัดก็ไม่มาเฉยๆนู้จะเก็บจะกกวาดได้บุญหลายชั้นแล้วใจมันก็พองโตขึ้นมาแล้วก็รู้ทันทีอ๋ออันนี้มันพอใจล้วนะะดังนั้นในการมาเจริญสติครั้งนี้ทุกแห่งแหละเอามาไปมาจะทําความเข้าใจให้ให้ทีถุ่นให้เข้าใจให้ได้แต่ทําความเข้าใจอย่างที่ทุ่นละเอียดแล้วยมก็ยังไม่เข้าใจอีกแสดงว่า การสื่อสารเขาธรรมาไม่ได้เรื่องเองนะ mm. ก็ไม่ได้ตําหนิ mm. ยมว่าเป็นคนมีสติปัญญาเพราไม่ใช่นะ mm. แต่ธรรมาสื่อสารไม่ได้เรื่องทําความเข้าใจไม่ถูกยมถึงฟังไม่เข้าใจใช่ไหมถ้าครูที่ดีต้องสอนรู้เรื่องนะฮะแต่นักเรียนที่ดีก็ตั้งใจฟังอย่างรู้เรื่องก็เข้าใจเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้กายใจนี้ ให้ทะลุโปร่งหายสงสัยในชีวิตนี้เพราะชีวิตนี่มันเป็นทุกข์มาหลายพบหลายชาติหลายกลับหลายกันแล้วอย่าพลอยใจในทุกข์อีกต่อไปเพราะว่ามันทำให้เราต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาชาติหนึ่งเรามานั่งนอนเป็นทุกข์อยู่เนี่ยมันมันไม่คุ้มกันขอให้เราตั้งใจแก้ไขปัญหาและความทุกข์ให้หมดสิ้นได้ภายในชาตินี้โดยการทุกคนทุกท่านทือ